เราทั้งหลายหากันในเท่นเล่นดูว่ามันแนนอนลงไปนี่ละ่ะเราทั้งหลายอาศัยกรรมวันทั้งหลายลในเวลานี้ไม่เชื่อบาปเชื่อกรรมอกรรมนั้นมันจะมาที่ไหนเราพระพุทธเจ้าเทวช น, นะนาในสยามมงคลปรกาศว่ากายกรรมวจีกรร ม, รรมโนกรรม กรรเกิดจากตาเรากรรเกิดจากว่าใจขอเรากรรมเกิดจากใจของเรานี่แค่ น, นั้นในปากกันในพึ่งลูกพึ่งกระจายต่อไปนี่ไม่ใช่อื่นเป็นนี่ไอ้พึ่งลูกพึ่งเน้นต่อไปพวกเราเออนี่ในต้องเข้าใจไว้กรรมทั้งหลายมันไม่ได้มาจากว่าปากไม่ได้มาจากต้นไม้ปู่เขาโลกา ให้นั่งดูแต่เวลานี้กายกรรมของเราเก็เรียบร้อยดีแล้วรรเออกายกรรมของเราเลอยังไม่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยดีแล้วอยังเหลือตัมโนกรรมมาเที่ยงทำระเบียบๆไปเดี๋ยวนี้ กายกรรมของเราก็เรียบลอยอยู่แล้ววาทิกรรมของวาจางเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือมโนโกรรมความห น, น่อมเนื้อแท้เวลานี้เราละลึกกรรมมันได้ไวให้รู้จักกรรมดีหรือ ก, กรรมชั่วพึ่งให้รู้พึ่งให้เข้าใจต่อไปนี่เป็นข้อสําคัญเด็กนั้นให้พาดให้แท่นให้เล็บตูนรู้ ชัดเจนในหวงเรายังสัมคิสที่ปผู้ปฏิบัตินู้เองเห็นเองไม่มีใครถ้าตอนของตอนไม่รู้แล้วคนอื่นจะสอนอะไรบอกอะไรมันก็ไม่เชื่อนี่ละเราทั้งหลายมากันเป็นลูกหังใจศ า, า, าสชนาทำสั่งสอนพทธเจ้ากันไม่สอนอื่นสอนใจ สอนกายเราสอนวาจาเราสอนใจเราบางคนว่าศานสนาคําสั่งสอนพระเจ้าเหลือเชื่อว่าไม่มีประโยชนะ์นะศาสนาว่าไม่มีประโยชน์ไม่มียังไงศาสนาคําสอนพระเจ้าแต่นี่ว่าศาสนาอยู่ที่ไหนเราไม่ใช่ว่าตาเป็นศาสนา ตอนไม่ภูเขาเรากาเป็นศาสนาะเนีว่าตาเป็นศาสนาะไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาให้พึงรู้พึง เ, เห็นพึงตัวใจมาไปความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่เราให้พึงรู้พึงเห็นนะไม่ใช่พุทธิศาลาลองทำบทวิหารเป็นศาสนาะนี่ตัวพุทธศาสนาอันนี้น คืออะไรเล่าคือคำสั่งสอนสอนอะไรสอนกายสอนวาจาสอนใจคนเรื่องเป็นอย่างนี้สอนเผื่ออะไรกายวาจาใจคนให้ละความชั่วทั้งกายทั้งวาจาและดวงใจนี่ท่านสอนให้ละความชั่วไม่คื่บอยู่ใจอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจขอคน อถ้าไม่เชื่ออะไราศาสนารวมแล้วกายวาจาใจาคนเป็นาศาสนานี่มันเป็นอย่างนี้เอ็นั้นใเนเพิ่งรู้เพิ่งเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ไม่จะโกหกและหลอกลวงไครอ่าแง่หัวเราทุกข์โผล่เลยากโผล่เราลาบากลําคานโล่เราอดเราจนหัวเราตกทุกข์เลยยากความทุกข์ความยากความลำบากลำพาญ มิสซอื่นภูมิยากลาบากรายของเราใจของเราเท่านี้นี่พระพุทธเจ้ากป็ดสอนเท่านี้นะทั้งวางคำไว้ตรงนี้ท่าไม่วางที่อื่นท่านสอนกายสอนวาจาใจผ่องในคคุณงามความดีคุณงามความดีก็ไม่อยู่อื่นอยู่กลคือใจคือกายของเราที่วาจาเราใจของเรา เอให้ได้ให้เรามีความสุขและให้เรามีความเจริญต่อไปเมื่อเป็นชนนี้แล้วภากันได้ยินได้ฟังแล้วโอกัญญิโกให้น้อมธระมาถึงใจของเรานี่การที่เราก็พุทและการปฏิบัตินี่เอาอะไรเป็นสรณะที่ค่งของเราในโลกกนี้ท่านวางศาสนาไวาย้ยไม่มีอื่นนอกจากพุโทโธธรรมโมสังโฆนี้ พุท ธ, ค อ, ทธทมมค อ, อคือพระพุทธเจ้าธรโมคือพระธรรมสังโฆคือปาริยสงฆ์สามตัวนี้แหละขาดสามอย่างนี้เพิ่งไหลไม่ได้จำอย่างขาดพระพุทธเจ้าองเดียวพุทธอคำเดียวกันละเพิ่งไหลได้จำได้ยังพุทธพระพุทธเจ้าเวลานี้พระพุทธเจ้าที่ที่ไหนเ่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ ที่อื่นอะเลิกดูที่พุตโต้แล้วเราเลิกที่ไหนบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ใจของเราอะไรเลิกไปนี่เป็นอย่างนี้เออไอ้เลือกไปขาพระพุทธเจ้าอง์เดียวแล้วทําอะไรได้ตาหูจมูกเราเราพึ่งอะไรได้หายใจเราพึ่งอะไรได้หาดความรู้เดียวเท่านั้นพึ่งไดไม่ได้สักอย่างนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้แค่นั้ น, น ให้เพิงรู้ว่าคุณก่อใจเนี่ยเมื่อไม่มีพุทธะความรู้แล้วอุปมาอุปกรณ์ตายหันเราทําอะไรได้นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําทอะไรไม่ได้จักยามเด่กนั้นนะเพิ่งรู้ว่าคุณก่อใจกับเราต่อไปเมื่อเราทาไม่ได้ก็เพิ่ง อ, อะไรได้ม้นมีความรู้มันมีความรู้ปฏิบัติอะไรได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เพิ่งไม่ได้ ว่าเป็นช น, นิดหลักหากันระลึก ไ, ไว้ในใจสิเมือครวญดีโกสั่งอะต่างๆ ก, ก็พุโทโธขึ้นมาใจไม่ดีก็พุโทโธขึ้นมามันที่เกียจขี้ค้คานก็พุโทโธขึ้นมาให้เพิ่งรู้เพงเห็นต่อไปนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติสนักในหากันแพ่นเล่นโตนัมันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไป ยงสัมสติโตผู้ปฏิบัติรู้เอียนยึดเองนนี่เมื่อเป็นช้นีแล้วรวมแล้วอ่ะศาสนาก็อยู่ที่สวงเรา น, นี่ท่านสอนตัวเราทุกโรดยากตัาข้าก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วตอนนี้ไปฟังธรรมเราฟังอรรแล้วไม่ต้องนั่นไม่ต้องเทส น, นี้เทศ อ, นนทศอธิบายให้จกัจกรีใหจักชั่วแล้วเอาให้เข้าที่ทุกคน เอาเข้าที่บาดเงี่ยฟังเออเอาหูนัน่เข้าที่เห็นนะเห็นตัวทุกตัวทุกมันจึงจะละได้เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นตัวบุญตัวบาปมันก็เลยละไม่ได้ไม่เห็นตัวกรรมมันก็เลยละไม่ได้ตอนนี้เข้าที่เอาวางสบายสบาย นี่เราต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญ น, นี่ากันในฝุงรูฝ่งเห็นต่อไปนีละเราว่าอะไรมันสุขอะไรมันทุกข์เราเทะดูนีละเมื่อจิตของเราสงบแล้วนี่ดูแทะเมื่อจิตสงบแล้ว ความชั่วทั้งหลายะะก็สงบไปสลายไปเองเมื่ะะอจิตเราสงบแล้วบ้านเมืองขอเงเราก็สงบประเทศชาติของเราก็เจริญสงบจากภัยสงบจากเรียนภัทยทั้งหลายไม่ได้เกิดจากอื่นเกิดจากกายจากใจของเราเมื่อใจเราสงบแล้วภัวทยทั้งหลายลงนั้นมันก็ไม่มีเรื่องเบี่ยงั้น ไอ้ไม่ได้มินิมาจะกว่าปากมามมเกืือจะดวงใจเราคือที่บายมาแล้วนี่และตอนนี้ไปต่างคนตานัางฝั่งนะทั้งคำนะนี้นะเอาวางให้สบายสบายดูใจของเราทนแน่นอนลงไปเชื่อมันนอม่นลงไปทำเห็นจริงแก้งไปจากลงไป ไม่ต้อโกหกใครแล้หลอกลวงใครศาสนาะดูเอาสุขของเราทุกของเราดีของเราไออยากดีมาอธิบายฟังแล้ววางดวงใจใหม้มีความสุขความสบายเย็นหวกเย็นใจนี่ นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันละเบียงหน้ามันไม่ดีแบบไงใจเราไม่ดีแล้วทุกข์ยากวุ่นวายตลอดในปัจจุบันระเบียงหน้าสองอย่างนี้จะว่าให้นั่งภาวนานเลือกแป้นดวงใจของเราใจมันมีมากมนุษย์ทั้งหลายาการจับไว้มีเจอย่าง นี่รู้ไหมล่ะยัยงคืออะไรล่าอมนุษย์สัตว์ทสารโนดูเอานี่มนุษยสัตว์ที่าสารโนเป็นยัง ไ, ไงดูสัตว์าาละสารร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสัตว์ละสารมันกินมันรับอาหารแล้ว เมื่อจักการสาบเมือจักการไหว้เมืจักคุณพ่อเมื่อจักคุณแม่เมื่อจักคุณพระคุณเจ้าเมืจักทําบุญให้ทานอะไรรับอาหารแล้วก็นอนนี่และมนุษย์ที่จะสาโนร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเสดสานเมื่อดับขันไปแล้วก็ตายเป็นเสเดสานดับขันไปแล้วมนุษย์เปโตเป็นยไงแล้ว ล้างตายเป็นมนุษย์แต่หัวใจมัน เ, เ, เป็นเปรตเปรตเป็นยังไงเล่ามันมีจมโหัวโถสัวมีมรณะทิฏฐิอยากฆ่าอยากฟั น, นเป็นขโมยโวยโจร น, นี่ละความลุกโมหะโถสัวเนี้ยอันนี้ละมีไดอยากฆ่าอยากฟั น, นเป็นขโมยโวยโจร เกิดขึ้นในจิตในใจตายแล้วมันก็เป็นเป็นเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเป็ดนี่ดูเอาจะเป็นไหมวิลย์เยนารกร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นนารอกลุ่มอกกลุ่มใจหัวใจกลุ่มอกกลุ่มใจอันนี้ละ มาจักรังไปกระจอกนรกเกิดดาปไปมนุษย์กับมนุษย์ตํำช้าเร็วชานีเป็นใบหรือเป็นบ้าเสด็จสิทิ์จะมนุษย์หูตึงตาบอดนีกระจอกงอกห้อยกีทูนดูทั้งทุกต่ำลำบากเห็นไหมสิ่งเหล่านี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแตกดูเอาฟังเอาไม่ต้องโกกใส มีหูมีตาแล้วยันเสียตาจุกเปล่ามีหูเสประเปล่าอ่าอันนี้ล่ะให้รู้จักอนิมูซ่าเโวลน้ตายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเทวุตเทวดาหัวใจมีศีลมีธรรมหัวใจมีรู้จักคุณคุณคุณพ่อแม่คุณคุณ ีพระคุณเจ้ารู้จักทาบุญให้ทานรู้จักอาสาศีลหัวใจดีมีความสุขหัวใจมีความสบายเมื่อดับคันไปแล้วไปเป็นเทวบุตรเป็นเป็นเทวดาอเป็นอย่างนี้ดูเอาจะเป็นไมหเปล่าอันนี้เมื่อสร้ารมาร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นอบ ผูม้มีวิหารธรรมเจริญอยู่มีความเยือกควาเมเย็นใจว่างวัดไม่มีอะไรใจว่างเมื่อไม่มีทิดดีไม่มีมานะไม่มีความย่อไม่มีความปวดความมาลายชิด ส, สงบว่างมันว่างวัดสบายแหมมีลาเมื่ อ, อดับคันแล้วไปเป็นข้าวมหาพรหม นา ม, มหาพรอมเป็นอย่างนี้ดูเอาใจของเราไม่ใช่ให้ดูอื่นมนุษย์สาระัตโตลร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพาลหันมันเป็นใจหัวใจละกิเลสตัณหาลาคาโลคะโทสาโมหะพวิธาตัณหาสุทัาโฉชาไม่ได้เวียนว่าตายเกดิดอีก นรับธรรมแล้วไปสูประริมิพานบริเวณว่าตายเกิดธรรมตาสมสารหัวเทพมนุษย์จะเป็นพระอรหันต์มีไสยอินไกลนี่มุนุสักพุธโทหลากายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดจับสรูพระตรโอเอง์ซึ่งสารพัดจะยากทำ จะได้วางศาสนาคําสั่งสอนมีความสว่ารทั้งนู่แจ้งแจง้งตรอนวดพบไงน้อยใหญ่ๆหญ่ในปอบหนึ่งบุเธนิวานสาสติยาปอบหลังนะะักโลยุตูปานทยานจะไปอยู่ในช่าชนใดพใกใจธนูวดยังเป็นมกุิเจา้าเป็นสยางพูทโธจับสลูดตะโกโอเกนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเก็บของเรา ไม่ได้ถึงขั้นนอนมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์โสสูงกว่าเขาเป็นอะไรเราเป็นเท่าพญามาหากระดับเป็นเศรษฐีนบดีเป็นคนสวยคนงามบัม่งมีสีสุขเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จรเป็นคนไม่วดไยาเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนะมั่งมีสีสุขอยากได้ไหมเราอ่ เป็นในร้อดในพันในคนจอมคนเพราะเหตุนี้ใจเราดีแล้วเอาดูเอาตอนนี้ไปจะมาอธิบายละเมื่ออธิบายจิตใจท่านจะมาฟังจะเสียงอะไะกินในฟังแล้วโอบันในก้อนน้อมมาภายในสัมผิสทีโกผู้ปฏิบัติเพียงเป็นเคื่อธิบายฟังไงฟังแล้วต้องทําดูอมิจะฟังเฉย มันก็บมารู้จักรสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกับเราทําอาหารนั่นแหละทําแล้วเราไม่แต่ไม่รับมันจะอิม่มไหมไม่ชิมดูมันจะรู้จักว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้ดีกินได้ฟังแล้วว่าบุญว่าบาปแล้วไม่ทํามันก็ไม่รู้จักเด้อผลต่อไปนะอาวตอนนี้ไปตัป้งใจฟังมันแน่นอ น, นอไปเชื่อมันลงไป ยิงแจ้งประจับเอาอังกฤษต้องปั้มานี่ให้กินเสียงแล้กัญญาไว้วางชนนั้นไม่มีอันตรายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนวางสบายไม่นานเทราไรแล้วเอาสามสิบนาทีสามสิบนาทีสามถุงอ๋อ วามสิบนาทวางสบายเอามาตั้งางความสุบควสบายวางให้สบายสบายนี่แหละความเมืองควาเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะได้มีความสุขความเจริญเป็นตัวของใจขอเรารองมือทำมันจะไม่จัก นี้เรฟังแล้วไม่ทำนันจ็ได้จับคิดหรือจับผูกติดหรือจับุหรือจับทุบเลยเริ่มไปอย่างนี้วาไม่สบายคำดูมันสอนว่าสัมมาทิฏฐิตั้งมันตั้งดูทีอัโนนาโถตนป็นที่พึ่งของตนโอยนะหัวโปรเซียจีนใดจะเป็นที่พุ่งตนได้ นอกจากตนทั้งกนไม่ได้เพิ่งทั้งตนแล้วไม่มีสิ้นอื่นจะเป็นอีกเพิงไดเ้เราฟังรู้ด้ยมันแน่นอนลงไปด้วมันเพิ่งได้เป็นยังไงเราทําจิตให้นิ่งก็นิ่งทําจิตให้เฉยกระเฉยทําจิตให้ว่างก็ว่างทําจิตให้เบาก็เบา ทำคิดเสบายก็สบายนี่เพิ่งได้นี่อัตนโนนาโถเป็นติพุัทางดีเพิ่งไได้เปไน็นยังไงเล่าทำกิฟให้นิ่งมันก็นไม่นิง่ทงทำกิฟให้เฉก็ไม่เฉยทำกิฟให้ว่างก็ไม่ว่างอ่านี่เพิ่งไม่ได้ที่นันนี้อ้าว่ไปดูจริงหรือไม่จริงเพิ่งไม่ได้แล้วแบบนี้ ต้องตอพลุ่มได้นิ่งกันิ่งในอยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นต่ออัตโนมนัโผเป็นที่พึ่งต่อยังไงไม่คุ่งสร้างในวันนี้ต่อไปมันขับต้องตงน้นไม้กระรีดพลาแก่ไขปล่อยไว้ให้เลื่อนลำไว้ปล่อยพกปล่อยชา เราเปิดมาพบปะธรมรมะธรรมสัมเ จ, จัญญะอันตรชี่แจ ง, สงแสดงในตรงนั้นซึ่งไม่ดีนี่นั่นนงดูไม่ดีตรงนี้เราก็แก้ไขเหมือ น, นเราทำการทำ ง, งานเล่นดูขับจรงไนเราก็แก้ตรงนั้นนี่กลมาสนใจไหมหลังพิจาร ไปฟังแล้วหลานเพือเกิดการปฏิบัติใช่ว่านั่งเฉยเนอะยังไงนีละเนี่ยตัว น, นี้เป็นเล็นโ ล, ลออกใจล้วสงบดีรูปตรงนี้ยัมีดีกับตรงนี้เนี่ยใจยังใจดียังใจดีโลกคุณงหาย จวนของร่างกายใจไม่ดีโรดมันก็ม่หายทำได้ทุกคนยังมาไปนะเป็นไรนั่งระยะตัวนี้นานคนไดโนเนี้ยัอนโจรนแล้วนี่เราด้เตือนใจทัน ในสรดับแล้ววาระสนัน น, สสนนิษฐานว่ามีสัมผัสนี้สุลูพุก็ใจความในพระพุทธศาสนาเนมื่อก า, า, ายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งผลสาาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคแห่งผลเป็นที่ตั้งแห่งความสุความเจริญเมื่อทั้งทั้งหลายได้ชี้ในฝังแล้ว โยนิโสมนัสติการาเป็นตำนัวจบไปแล้วนำไปกระตุ้นปฏิบัติพุทธหนักตนทนเป็นปัญญาธรรมสระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นี่ต่อไปพวกท่านทั้งหลายมีความประมาทจะประท้วงประเหนแต่ความชุกความเจริญดังเป็นแสดงมาเอวังภูมิโยตารูธรรมวัชชนที มายู่วันทีับ จุดประสงค์ของพกเราทุกท่านทุกคนหรือว่าผู้หญิงผู้ชายไหนก็ตามเนี่ยจุดประสงค์นี้ไม่ใช่ห่าไกลต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญต้องการความปมพลุกเนี่ยเดินไปเรื่ต้องการความสวยความงามความเบียบเรียร้อย เดิมเป็นอย่างนี้ยุทประสมฟ์งพวกเรามานี้ทําการงานอะไรทุกชินทุกอย่างก็ตามจุทประสงค์เราต้องการความสุขความสบายเทนั้นแหละอะไรกด็ดีนี่เราให้ดูจากว่าความสุขความสบายจะมาอยู่ที่ไหนอะไรสุขอะไรสบายให้เราลึกดูที่อี่ อันนี้ทุกอะไรมันทุกอา น, นุจกักอเราเชื่อจักว่าสิ่งนี้มันทุกสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันสบายนั่นเราจะรารู้จักการเลือกบันรเรารู้จักการกระทำและรู้จักการเอาเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้และเราั้งหลายหาที่พึ่ง ไปไหนก็ต้องหาที่พึ่งพาอาศัยเราเกิดมาพึ่งอะไรเป็นที่พึ่งของเราเกิดมาอยู่เดี่ยวนในโลกทุกวันนี้เอาอะไรเป็นที่พึ่งใมารู้จักที่พึ่งของเราถามาโดยจักติดพึ่งแล้วเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรไม่มีสิ้นเอื่นเป็นที่พึ่งของเรา ในคําสั่งสอนของท่านแเ่นไดกล่าวไว้ว่าในสัจจกิริยาคาถาทันวา น, าวนัตทิเมสรนางัญญ์นี่แปลใจความว่าที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีที่พึ่งของเราอื่นไมนีีนัาทีแปลมัดที่สามโลกนี้มิใช่โรอกนี้พึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว ดูเทอเราจะเอาอะไรไปพึ่งล่พุทโธเมสรนังวัลังมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวตอนนี้เป็นที่พึ่งประเสริฐดูที่มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นชรณะเป็นที่พึ่งของเราประเสริเ น, นี่ะนะหาพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วตัวเรานี่พึ่งไรไม่ได้ชัดอย่าง ตาหูจมูกเรานี่ก็พึ่งไม่ได้แขนขาตีนมือเราก็พึ่งไม่ได้เติกร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้สาวบ้านร้านตลางประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราพึ่งได้หมดสามโลก <c oughs> เหตุฉันไหนอย่างว่างั้นพุทธะคือความรู้ถ้าเรามีความรู้เราพึ่งได้ เมื่อเรามีความรู้แล้วก็ละเราทําไว้ี่แห ล, ละพระธรรมเป็นที่พึ่งเราจงเรียกว่าพระพุทธพระธรรมประสงในเริ่มเป็นอย่างนี้หาเรามีความรู้แล้วก็ทําได้เราทําไว้ดีชั่วหาเราไม่ทำไว้แล้วอยากได้มันก็ไม่ได้นี่แหละเป็นที่พึ่งเราอาศัยแล้วก็ทําไว้ ปุ ष ลธรรมปุสลธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้สิ่งใดเราไม่ได้ยินพระสองเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราปฏิบัติไว้พึ่งได้สิ่งใดเราไม่ได้ปฏิบัติไว้แล้วก็พึ่งไม่ได้มนุษย์อยากได้มันก็ไม่ได้เราไม่ทาไว้เราไม่ปฏิบัติไว้เนี่ยเราไม่รู้ ทำอะไรก็ไม่ได้ปฏิบัติอันไรมันก็ไม่ได้อยากร่ำอยากรวยมันก็เราไม่รู้มันก็จะจับเอาอะไรให้มันรวยนี่ตอนนี้ปลายภาคอนุจัก ท, า ท, า ท, าทักขาดพระเจ้าองค์เดียวแล้วตาหูจมูกเราเนี่ก็เพิ่งไม่ได้พุทธะเคื่อนใดคือความรู้มันไม่มีความรู้คือสัญญาล้ารูปออกมาคือคนตายเราก็ เ, าเห็นไหมล่ะคนที่ตายหัน นธธธธี่ไม่มีพระพุทธเจ้าพุทธะไม่ไม่มีตาก็เป็นตายเสยๆหูก็มีแต่หูปลาากก็เหมือนกับปากตะก้านี่ทําอะไรเป็นเห็นบาคนตายพึ่งอะไรได้นี่ละเราต้องระลึกถึงที่พึ่งเราเราอยู่ได้ตัวนี้อาศัยพระพุทธเจา้านี่อาศัยพระธรรมแล้วทําไว้ เพื่อจามีเราทำไว้กับคพณ่ได้นี่สักตัวอย่างเห็นถ้าเราไม่ทำไว้อยากได้มันก็ไม่ได้คนนั่งร้ายอยากล่ำอยากด้วยขายของหรืออะไรก็ตามนี่มันไม่ได้แต่พอเราไม่ทำไว้อุปมาเหมือนกับสาวนาเขาไม่้ทำนาเมื่อเขาไม่้ทำนาไว้แล้ว ขอให้เข้าเต็มยุ่งเต็มสางมันจะมีไหมล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ย้ารยธรรมมาแล้วพึงได้เนี่ยนี่ลให้รู้จักตอนนี้ไปในิรละเอานลึกถึงที่เพิ่งเราเนี่ยนะพุทธโทพูติเจ้าพระธรรมโมพระธรรมสังโปริสงสามะะนักตระนันี่ละเป็นแก้วประเสริ หาค่าหาราค า, า, า, าไม่ได้เมื่อเรามีพุทธะแล้วนี่ละ่ะเป็นศรณะของเราที่เพื่อเรานี่พระพุทธเจ้ายังได้วงางศาสนาไว้เป็นที่เพื่งของเราแต่ก่อนไม่มีผู้ใดสี่แจงแสดงให้ฟังต่อพระพุทธเจ้าท่านกัจจุรูปอนุตตร ส, สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรูแ้แจ้งแทงตรอดแล้ว ท่านจะได้มาวางศาสชนาไว้ท่านวางศาสชนาไว้ท่านไม่ได้วางศาสชนะไว้ในบ้านเมืองถนนทางไม่ได้วางไม่ได้ฝ้าอากาศต้นไม้ภูเขาโลกาไม่ได้วางพุทธิสลาลงทำโบสถิหารท่านวางศาสชนาไว้วางที่ตัวของพวกเราทุกคนวางที่กายที่วาจาใจของเราทุกคน ศาสนาเป็นเครื่องแก่ทุกศาสนาเป็นเครื่องสำลักทุกสำลักยังไงแก่ยังไงเนี yeah. ่ยศาสนาคือคำสั่งสอนท่านสอนอะไรแต่สอนกายสอนวาจาสอนใจคนสอนเพื่อใดกายวาจาใจาคนท่านสอนให้ละความชั่ว สิ่งใดชั่วแล้วท่านสอนให้เลิกให้ละเราทั้งหลายก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่ดีผิดศีลผิธรรมเราทั้งหลายก็เขา้าใจอยู่แล้วสิ่งไม่ดีสิ่งเป็นคนเกเรหรือชุาา่าสาโต้คันซาเป็นคนขโมยป่วยจวนวเนี้ยนะเป็นคนจีเกียจีคลาดเป็นคนว่ายากสอนอยากนี่ยนี้เราความชั่วกี่กายที่ใจของเราให้ละ ละเพน่ใดละเพื่อใใละความชั่วนี้กลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัเราลำบากกลัวเราลำคาญกลเราอดกลเราจนกลเราตกทุกข์ได้ยากนี่สาปชนาเป็นอย่างนี้ทนายละความชั่วทางกายทางวิชาใจขอยงเรานี่ความสําคัญไปอย่างนั้นท่านสอนกายสอนใจขอยงเราทุกคน สอนให้ทำคุณงามความดีทำคุณงามความดีที่กายที่วิจาใจผ่นเพื่อใดความคุณงามความดีให้เรามีความสุขให้เรามีความสบายให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญให้เรามีคุณงามความดีนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้มากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันตั้งใจทุกคนต่อไป ให้เลิกต่อไปเอาตอนนี้เข้าที่นั่งฟังธรรมอั น, นเทศเทศบทท่านอย่างายก็เทศพอแล้ว <c oughs> เลียนก็เรียนมามากแล้วเอาให้เขาทาลงมือทำให้ดูตัวจริงมันเป็นยังไงอ้าวนั่งเข้าที่ภาวนาบาัดนี้เออให้มาเลิกแคนดูอะไรมันชุบชุบอ่านั่งเข้าที่เอเอภานวนาอย่าง นั่งให้สบายบางคนว่ามาวัดไม่สบายนั่งให้สบายยังไงสบายให้นัง่งสบายพทำในวัตกาสมแบบนี้อยากสุขอยากสบายนัน่งสบายสบายเอาขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขาวาทับมือซ้ายตั้งต่ายต้มวางผ้าวางผาง สางาผาเผือยยิบแบยบแกมใสเอานั่สบายวางดูเต้มันสบายรยังกายองเรามันไม่สบายยังไงเอาติ๊กดูบางทีมันสบายเลยยังเออเอาเมื่อยกายแล้วครับอ่าไปนอน ม, มอขึ้นหน้าเออนึกถึงพุทโธธรรมโอสังโภสาหมอแล้วไอาวางมือลรงเนี้ย มือขวาขับมือซ้ายเออนี่วางนี่สบายสบายเมื่อกายได้สบายแล้วให้เรเลือกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าอย่างนี้เออภาวนาเพื่อจะพิจารณาดูตัวเรามันอยู่จริงไหมให้นึก เทมะพุทธเจ้าประธ ร, รมประสองค์อยู่ในใจนึกสิพุธโธใจเราบุรุษธรมโมใจเราบุรึกสังโธใจเราบุรุษลึกดูตีนึกพุโธธรมโมสังโธนี่เป็นคำภาวนาพุโธธรมโมสังโธสามคนแล้ว ไอ้รวมมันจะพุโทโธพุทธโธกำเดียวรับตามนับปากสะลีนก็เม็ดกระดกกริกให้ ล, ลึกเอาทางในความรู้ตรงไหนแล้วตั้งสติแท้มดูในตรงนั้นดูเพใดเราจะรู้ว่าตัวเรานี้ล่ะมันเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือกเก็นปุก มันดีหรือมันชั่วหรือดีโั่อยู่ที่ไหนอยากรู้มันดีไปยังไงมันชั่วไปยังไงมันสุขไปยังไงมันทุกข์ไปยังไงบุนไปยังไงบาปไปยังไงความร่ารวยไปยังไงความสวยความงามไปยังไงความไม่ร่าไม่รวยความไม่สวยไม่งามไปยังไงเอาให้เลิกดู ความรู้ตรงในล้วตํามสติแท่นดูตรงนั้นความดีเป็นอย่างนี้รวมมาสั้นๆแล้วใจเราดีใจเราดีแล้วมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่ไวายสบายพุดโธใจเยือกเย็นเนี่ย อันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าบางคนข้างหน้าจะเป็นยังไงเออเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเราต้องกํหนดดูเรานั่งอยู่ในนี้ละข้างหน้าจะเป็นยังไงเล่านี่เราดูติดมือใจเราดีแล้วใจเราดีมีความสุขความสบายนี่ข้างหน้าก็มีความสุขความสบาย ดูที่มรดกใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีทำมาหากินอะไรก็ดีค่าขายก็ดีเล่าเรียนก็ดีราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีสาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีเนี่ยดูว่าทอันนี้หละความสุขความเจริญในปัจจุบันในเมืองหน้าอันนี้ไม่ได้หลอกลวงใคร ดูที่ใจของเราดีเลยนั่นมันดีก็รู้สียวว่เบาตนเบาโตเบาร่างเบากายหายโลกหายภัยหายเคราะหายเข็นหายกิเลสหายจนไรหายความชั่วช้าลามกหายความทุกข์ความจนหายความอดความยากหายความทุกข์ความยากเมื่อใจแล้วไม่ทุกข์จะอะไรมาทุกข์แล้วเมื่อใจไม่จนจะอะไรมาจนแล้ว มีพาันในพึ่งลู้คุณก็ใจตรงนี้อันนี้แหละประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะเจริญได้อาศัยใจของเรามีความสุขความสบายเราอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายนี่แหละเราต้องการประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องการความร่ำความรวยต้องการความสวยความงามเราก็ดูที่ใจของเราสุขใ้สบาย เมื่อใจสบายทำอะไรก็สบายการงานก็สบายทำมาค้าขายก็สบายอกสบายใจไม่หุ่นไม่วายเดือร้อนออนี่ละ่ะประเทศชาติของเราไปไหนล้วก็ไปสอบคบเพลินความสุขความสบายในปอยูุบันในเมืองหน้าเอาดูที่นี่แหละบางคนทำไมละ่ะ แตมันไม่ร่ำไม่รวยไม่สวยไม่งามทำมันมันทาไมมันไม่ดีเ่คือใจเราไม่ดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วนี่หลายดูเอาใจเราไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายจะรอดในปัจจุบันระเบงหน้าอันนี้ทำสัตหลายต้อกทุกข์เลยยากนี่ดูเอาดีเมื่อใจไม่ดีแล้วทำอะไรก็ไม่ดี กานงานก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีทำมาหาอะไรก็ไม่ดีเล่าเล้ยนก็ไม่ดีไปมาหาสู่กันก็ไม่ดีและสการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีพี่น้องก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ดีประเทศชาติก็ไม่ดีวุ่นวายเดลอดอนเพราะใจคนไม่ดีมี่ละเพื่อใจไม่ดีอะทำมาค้าขายขาดทุนขาดหล่อน เป็นนี่เป็นศิลกันเดือดร้อนดูและเลือกกันเอาที่ เ, เดี๋วมาภาวนาพิจารณาเลือกกาที่ดีชั่วนี่ใส่อื่นดีไม่ใช่อื่นชั่วต่อไปในพากันเพ่นเล็มดูมันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไปนี่บางคนวว่าประเทศของเราจะเป็นยังไงต่อไป เดี๋ยวนี้ก็ประเทศใเนเชลนังอยู่เดี๋ยวนี้ปาติลูประเทศสวารโสจ่ า, านัา่นเรามีประเทศอันสมควรแล้วแน่ประเทศอูดอมเราจะได้เตือนไปมนุษย์นี่หลือ เ, เป็นมัชชิมาประเทศเป็นประเทศทำกางจะไปทั้งใต้ทั้งเหนือก็ได้ขึ้นบังบนบังลงบังล่างก็ได้ดวงใจของเราเราจะมีประเทศเป็นมนุษย์นี่ประเทศอูดอม เนี่ยเป็นมัชชิ ม, มาประเทศประเทศประเสริฐเราจะได้ประเทศประเสริฐ น, นี้ไฟใดบุพเพยกตะปุญญาตาบุพเพนกระเมขอนปุญญาตาซึ่งบุญปุสสอกระดังแล้วก็กระทำไปแล้วปณีทิจารเราได้ตั้งตอนที่ชอบประกอบจิตไว้ในทีดีเอตมังขรามตามังนี่จะได้เป็นมงคลอุดอมนี่เห็นดูตีเดี๋เนี่ย เราต้องการชลิมงคลให้มาแต่เป่าหัวเป่าหางเอาให้มาแต่ลดน้ำลดท่าเอาเออดูที่มันมีมันทุกข์อยู่ตรงไหนมันยากตรงไหนจะอยนั่งสัมมาทิสดูสัมมาทิสมมทคือทําจิตให้ตั้งมัน่นนี่ละเราจิตของเราตั้งไม่ตั้งดูที่มันไม่ตั้งตรงไหน แล้วมันตั้งอยู่ตรงไหนให้รู้จักมันตั้งรู้จำต่างน้าอกของเราจิตตั้งมั่นเป็นสเรลว่าสมาธิสมาธิอันนี้ละคือมันตั้งเหมือนกับเราปลูกต้นไม้มันตั้งแล้วผลมันกระโดกหนาเหมือนกับปลูกบ้านปลูกช่อมันตั้งมันเที่ยงมันกลมและอาศัยได้อันนี้จิตใจของเราคือกันถามมันตั้งเที่ยงแล้ว มันก็เพิ่งพาสายได้เพราะฉะนั้นในพากันในตัวกนู้นพวกใจต่อไปเอาตั้งดูเดมันสุขอยู่ตรงไหนทุกอยู่ตรงไหนอะไรมันสุขอะไรมันทุกใหนพามันฟังทำอันนี้ฟังธทำอันนี้ฟังลูก ป, ประธรรมนา ม, มาธรรมลูก ป, ประธรรมก็ตะคับล้างใจของเรานา ม, มาธรรมเคอดวงใจของเราพวกคิดผู้นึกพวกปรุงผู้แต่งดีชั่วมันเกิดจากนี้ ไม่ได้เกิดจากอื่นจไกลครเดี๋ยวนี้เราต้องฟังดูอ่ะจิตของเราเวลานี้ล่ะมันคล้องตรงไหนมันคาตรงไหน อ, อมันอยู่ที่ดีอยู่อยู่ที่ชั่วมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันดีก็ตีบายฟังแล้วใจของเราลมสั้นๆใจเราดีมีความสุขความสบาย เบาตนเบาตัวสบายจิตเบิกบานกินอกกินใจดีอกดีใจดิลพุทโธความเบิกบานสว่างสวพุทโธความป่อมใสสะอาดเมื่อมันใสแล้วใจเราใสพุปมาเหมือนกระจกมันใสเหนือนกันน้ำมันใสมันสงบ มันใสแล้วก็มองเห็นหมดอะไรที่นั่น น, นี้ก็เมื่อจิตเราใสมันไม่มันเทีย่ยงมันกรงแล้วจิตเรามันก็มองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นความผิดความทุกข์องตอนเมื่อเราเห็นสิ้นนี้มันผิดแล้วเราก็เลิกสิ่งนี้มันทุกข์แล้วเรากล็ละ สิ่งนี้ไม่ดีแล้วก็ลาเพราะไม่ใช้อื่นเป็นเนี่ยใสเป็นอย่างนี้ให้พากันในพึ่งรู้พึ่งเข้าใจต่อไปนี้จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบต่อไปเอาดูที่ทำไมบ้านเมืองไม่สงบบางคนอยากให้มันสงบทำไมไม่ไม่สงบเอาดูที่เราทั้งหลายนั่งนี้สงบดูไม่สงบรู้จักตรงนี้ สันติโกผู้ปฏิบัติรู้เอียงเห็นเองเออเอาตอนนี้ไปให้พา เ, เข้าใจแล้วความดีให้เข้าใจละความชั่วอธิบายฟังแล้วเอาดูเอาเลือกเอาใครจะเอาอะไรเล่เาสองอย่างนี้ดีแจะชั่วสุขจะทุกข์ไม่ใช่อื่นเป็นไม่ใช่เทวบุตรเทวดาวพระอินทร์พระพรหมทําให้เรานี่บางคนเป็นกรรมอันโน่นเป็นกรรมมันนี้ ก็กรรมอยู่ที่ไหนกรรมไม่ได้มาจับว่าการกรรมไม่ได้ม า, าต้นไม่ภูเขาเราคอเกิดจกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรม น, นี้เป็นอย่างนี้แต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยดีแล้ววาจีกรรมวาจามเราคําพูดมันก็ไม่มียังเหลือตมโนกรรมมโนกรรมคือความน้มนึก ละลึกกรรมอัในไว้กรรมสะกลมพีกรรมเป็นของของตอมกัญญาหัวปาประกำวาเรจะทายวิธันตีเราจะทํากรรมอัในไว้ดีแล้วชั่วเราจะรับผลของกรรมสื่อไปนี่เป็นรับผลของกรรมสื่อไปในปัจจุบันในเบื้องหน้าอันนี้เราจะรู้จักได้กรรมดีกัญยาคือกรรมมันดี รวมมาสั้นๆแล้วเคลือใจเราดีมีความสุขความสบายนีอันนี้เราจะรับผลของกรรมเสื่อมไปในปในปัจจุบันจะเบิ่งหน้าไปในพบใดฉากใดในปัจจุบันเป็นคนทุขเป็นคนสบายเอากรอยาำได้อย่างนี้ไม่ใช่หรอนี่กรรมชั่วเป็นไดแล้วป่าปร ะ, ะกังกรรมชั่วรวมสั้นคือใจเราไม่ดี ใจไม่ทุกข์ง่ายวุ่นวายนักนวลงเอาเขานอนเป็นนั่นเป็นนี้เดือดร้อนอันนี้แหละกรรมมันชั่วนี่จะได้นำให้ผนแกเราในปัจจุบันและเบนหน้าเมื่อเราเห็นโอไม่ใช่เป็นกรรมใจเหล่านี้กรรมเก่าไปไม่หมดกรรมมายังตอ่อเรื่อยไปมันจะเป็นจิตเมื่อเห็นเป็นกรรม ก, ก็เลิกมันจะละ รอยวานเสแล้วมันจะเหม็ดกรรมนี่วิธีล้างกรรมไม่ล้างด้วยน้ําไม่จอดำวันล้างดอกเรานั่งดูเดี๋ยวนี้ละ่ะเออไม่ล้างด้วยน้ําไม่ได้ฟอกด้ยสบู่ล้างบาบล้างกรรมไม่ตับด้หมอกด้วยดาบ เ, เรานั่งสมาธิคือจิตเราสงบนิ่งเฉยอยู่็นวางแนละ้ว